ปีนี้ต้องขออภัยพระองค์พอสุขภาพบอดเต็มรลอยนะตั้งปุตติหลวงพ่อพระเฮตังตีติซีฮอตสามทุ่มซู่มือนะทุกปีมาปีนี้ขออนุญาตป่วยสักเดือนหนะึง <c> อ <oughs> อกไปอย่างนั้นเนาะเจ็ดปีม่ได้ป่วยเทื่ยกันฉลองมันเต็มที่มนะันจากนี้ไปอีเจ็ปีนี่จะได้ป่วยอีกป่วยให้มันเต็มทีซะแต่มันก็ดีมันบโไราณแรงคือป่วยตัวไปไม่ใครถ้าโฮได้มาปฏิบัติ มือนีมือที่เท่าใดแล้อมือที่สามมือนีเก็บปฏิบัติเพื่อสำรวจนิวอนแต่ละตัวมันไม่ตัวไหนข้างอยู่ให้มันหายมือนี้เด้อความง่วงความเหงาความขี้ข้านความฟุ้งซ่านความงุดงิดความสงสยัยวันี้ให้มันหายมือนีสามมือแล้วเพราะละสามมือเนี่ยสาหรับนิวอนหาร์โดความขี้เกียจที้ข้านความอึดอัดความงุนงิด ความงวงเอาฮ้อนนอนความฟุ้งซ่านดังเล่สงสัยํำรวจเบิงผู้ใดยังเหลืออยู่ก็ให้เคี่ยวให้หมดจำได้พวกนี้ห้าตัวแต่มืออืน่นแต่มืออืน่อน่อไปเขาลืมเขาสูสติสัมโพชงนะสามมือนี่เขาใช้สติประฐานคือเบิงกายเบิ้งใจเบิงหลู่เบิงน้าใสกันนะ พอกายใจรูปน้ำอยู่น้ากันตอนแรกมา่อไม่ไมมันมายอมอยู่น้ากันเน่ะมันไปคนละทางอยู่บังคับมนันเอาสร้างจังว่าเดินจงกลุ่มบังคับให้มันอยู่น้ากันเริ่มอยู่แล้วไหมบ่เริ่มมัยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ใจมันไม่อยากอยู่น้าเพราะว่าให้หลวงพอ่อบอกภาษาภาษาไทยใช่เนาะ คนไทยจะได้ฟังม <laughs> ้องบกว่าสาตอนเวลาเขาจอาไปแก้เป็นนสีเขาจะอาบอกว่าสาสานึงาเราฟังในวารู้เรื่องในบารู้เรื่องเนี่ยจเาไปเห็นหนสีนะตั้งบทีถ้เขาจะจัดอบรมเจ็ดวันหรือแปดวันหลวงพ่อจะให้เวลาสามวันสำหรับจัดการกันนิวอนห้าตัวเนี่ยความหาามุดหงิดฟุ้งซ่านความหมุดฟุ้งซ่านง่วงเหงาเ h า e นอนความลังเลพวกนี้ ต้องสู้กันสามมือเนี่ยให้ได้ขาดพอไปขึ้นมือที่สีที่ห้าแล้วมันกะจะเป็นเรื่องของสติอีกระดับหนึ่งละ่ะสติระดับสูงขึ้นไปสติสามมืเป็นสติระดับรูปน้ำสติประธานกายกับเวทนาเนี่ยเป็นหูจิตก็อารมณ์เนี่ยเป็นน้ำเบืงหูกับน้ำเบื้องกายกับใจใส่กั น, นมันจะรวมเป็นสติประธานมดืดให้มัน มันกลายเป็นไล่แล้วเนาะปีหน้าคุณบอว่าใหญ่เลียนฝรั่งฝรั่งเศสด้วยเนะี่ยวันวานระยะสามมือเนี่ยฮะที่วอนห้าตัวมันยังไม่ล่มนะถ้าเลเวลมือที่สี่ที่ห้านี่ยากแล้วมันดื้อยาเนีมันดือนด้อยาเมื่อค่อยล่มสามวันเนี่ยหนึ่งสองสามมาเนี่ยยังไงก็จัดการอเอาออกให้ได้ค่อยสํารวจอาสติปัญญาเนี่ยไปสํารวจด้วยตัวเบื่อมาอยู่ตรงไหนตัวขี้เกียจมาอยู่ตรงไหนตัวคิดมาอยู่ตรงไหนตัว งูดหีดมาอยู่ตรงไหนสํารวจมันอยู่ซอกไหนมุมไหนของใจของเราเนี่ยเคลียมันออกให้หมดนะให้มันอยู่กายกับใจโล่งๆโปร่งๆเนี่ยสํารวจดูความคิดอะไรมันแหลมเข้ามาก็จัดการเตะมันออกไปทันทีอย่าให้มันมาลอยนวลอยู่ในใจแล้วนะบอกว่าห้ามื้อเจ็ดห้าวันเจ็ดวันเนี่ยคอยอยู่แบบไม่มีความคิดอยู่แบบหัวโล่ง ๆ, ๆนะ เอาความว่างเป็นอารมณ์เอาปรมาดเป็นอารมณ์ถ้าเอารูปเอานามเป็นอารมณ์อยู่ดียังเป็นสมถะนะแต่ถ้าเรามีความว่างความรู้สึกตัวเป็นอารมณ์เน่เริ่มเป็นวิปัสนาเป็นสติสามพุทธชงละถ้าสติปัฏฐานเนี่ยจะเอาความรู้สึกในใกายในใจในรูปในานามเนี่ยเป็นอารมณ์อยู่เพื่อ จ, จัดการนิวรณ์หยาบๆออกไป อนนี้เราต้องรู้ขั้นตอนการปฏิบัตินะไม่งั้นเราไม่รู้ว่าเราไปไหนนะทําทําไปเนะี่ยให้รู้ว่าวันที่หนึ่งสองสามเมื่เนี่ยเราฝืนอยู่ไอความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยฝืนอยู่กับมันบังคับผมเหงืใจเนี่ยมันจะยากลาบากแล้วก็จงอยู่กับมันให้ได้เพราะมันหนีกันมานานอนะ่ะหลายภพหลายชาติแล้วมันไม่อยากอยู่กันกายนใจเนี่ยใจมันไม่อยู่อยากอยู่กับกายเพราะอะไรเพราะกายเป็นที่ตั้งของความเปลี่ยนแปลง ความแปลบนความเป็นทุกข์ทรมานความไม่สบายตลอดร่างกายเหมือนคนป่วยเจ็บนั่นป่วยนี่คนจะสุภาพดีขนายไหนก็ตามเนี่ยมันก็มีเจ็บมีป่วยอยู่ในตัวเนี่ป่วยเพราะหนักป่วยเพราะเบาป่วยเพราะหิวป่วยเพราะร้อนป่วยเพราะหนาวป่วยเพราะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวจากการงานน่มันป่วยตลอดร่างกายเนี่ย แต่ว่าเราไม่เรียกว่าป่วยเราเรียกว่าทุกขเวทนาแต่ลามันเป็นมากๆขึ้นมาเนี่ยมันเรียกว่าป่วยคือต้องไปไปกินยาไปหาหมอถ้าเป็นพอทุกเราได้พอบาบัดได้นี่เขาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขลักษณะนะเวลาเรามาปฏิบัติเราก็จะต้องให้จิตของเราเนี่ยมันมาดูแลทุกอันนี้มาแก้ไขทุกอันเนี่ยไม่ให้มันหลบมันหลีกมันเลี่ยงอ่าวันนี้ก็อ ย, อยังชั่วนะไม่ค่อยไอเลยนะ วันนี้มันดีขึ้นพรเมื่อวานพ่อใหญ่ไปนวดเส้นมันก็เลยไปคลายในสามวันนี่เราจัดการกับนิวรณไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังจับจุดยังไม่เป็นคือหมายความว่ากายกับใจมันไม่ได้อยู่กันนานเมื่อมันไม่อยู่กันนานมันไม่ยอบรับกายหรอกเพราะว่ามันไม่ชอบไตรักใจเนี่ยเหตุการณ์ที่มันไม่ชอบไตรักแหละมันก็เลยเป็นตัวไตรักเองตัวเขามันเองไปอาศัย ราคะโทสะมูหะเป็นที่อยู่แต่ร่างกายในอาศัยความเปลี่ยนแปลงความแปรปวนความบังคับบัญชาไม่ได้เป็นที่อยู่อยู่คนละข้างะกายกับใจอยู่คนละข้าง <c oughs> ใจมันชอบป่ไหนมันก็ไปกับอันนั้นมันไม่ชอบอ่ไหนมันก็หนีอันนั้นมันสนุ ก, กอ่ไหนมันก็ไปอยู่กับอันนั้นมันไม่รับรู้เรื่องกายด้วยนะใจเป็นปอย่างนั้นแต่พอมาเข้าไปสู่ปฏิบัติ วิปัสนาแล้วเนี่ยกายกับใจต้องมาอยู่ด้วยกันให้ได้ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันไปมันไปคุณทางกายไปทางหนึ่งใจเวลาตายไปก็ใจก็ไปสวยวิบากกรรตรุนรกคุมไหนไม่รู้กายก็ไปอีกทางมันไม่ไปด้วยกันแต่พอเรามาปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเรามาสาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านค้นพบ ว่าท่านมีวิธีรวมกายรวมใจอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าค้นพบอันนี้ก่อนมาบอกเราทีนี้เราก็มาทำตามดูถ้าคนไหนทำถูกตามที่ท่านบอกเราก็เรียกว่าคนนั้นนะได้คุณธรรมของท่านได้อันนี้สูงจากคำสอนของท่านแล้วก็มาบอกต่อต่อต่ อ, ต, อต่อกัอนมาเราเรียกว่าพระพุทธศาสนาเอาคำสอนที่ประสาสศาของเราค้นพบมาทำให้ตัวเองก่อนพอตัวเองทำได้นะ หมายความว่ารวมกายรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ถือว่าทําสําเร็จละมันเหลือสององคุลีไงตัดผมแล้วเหลือสององคุลีคือเหลือรูปกับนามเหลือกายกับใจแต่ทุกวันมันเหลือเยอะนะเหลือโลภเหลือโกรธเหลือหลงเหลือเบื่อเหลือเซ็งเหลือขี้เกียจเหลือขี้ค้านเหลืออะไรเลยเยอะแยะไปหมดมันไม่เหลือรูปกับนามมันไม่เหลือกายกับใจเนี่ยมันงอกมาเรื่อยๆความทุกข์เรางอกเหมือนเส้นผมนี่เราก็ต้องอาศัยปัญญาเนี่ยที่เราเจริญอยู่นี่ ตัวสติสัญยาที่เราคอยประคับประคองรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาตัวนี้มันจะเป็นอาหารของปัญญาเราจะตีมีดเผามีดให้มันแดงเอาไปตีเนี่ยอาศัยฐานอาศัยไฟถ้าไม่มีฐานไม่มีไฟไม่มีลูกสูกเนี่ยไอ้เหล็กเนี่ยมันแดงไม่ได้นะเหมือนกันตัวสติสัมญาเนี่ยมันฐานเหมือนไฟไอ้ความขยันหมั่นเพียรของเราเนี่ยมันเหมือนเราชักลูกสูก เพื่อไฟมันแรงพอไฟมันแรงแล้วมันก็จะไปเผาเหล็กเหล็กก็คือจิตของเราเดียวมันมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันมีสนิมอยู่เนี่ยเราเผาให้มันแดงเผาให้มันแดงแล้วเราก็ต้องเอามาตีจิตของเราที่มันดิบดิบเถื่อนเถือนมันเป็นเหล็กอยู่เนี่ยเป็นเหล็กกล้าอยู่เนี่ยเอามาตีให้เป็นมีดเอามาตีให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ่างจิตของเราที่มันยังดิบยังเถื่อนยังไปกับความโลภโกรหลเนี่ยเอามาตี ตีให้เป็นลูกของศีลมาตีให้เป็นลูกของสมาธิมาตีเป็นลูกของปัญญาเล็กธรรมดามันาก็กลายเป็นมีดเป็นดาบเหรอทีนี้ใช่ไหมแล้วมีดดาบนี้มันก็จะไปตัดไปทํางานได้สั้นใดก็ดีจิตใจที่มันป่ามันเถื่อนที่เต็มไปโลกโู้หลงเนี่ยพอเราเอามาฝึกมาฝนด้วยสติสัมปชัญญะและความเพียรคือไฟคือฐานคือลูกสูบเนี่ยสูบเข้าไป ไฟก็แดงขึ้นแดงขึ้นไอ้เด็กเหล็กที่มันเป็นเหล็กธรรมชาติเนี่ยมันแดงแล้วมันอ่อนนายช่างคือปัญญาเนี่ยเเอามาตีจะให้เป็นรูปอะไรรูปจอบรูปเสียมรูปมีดพลาลาล้าก็ว่ากันไปแล้วก็ตีให้ได้ตามนั้นเราจะเป็นรูปอะไรรูปของศีลรูปของสมาธิรูปของปัญญารูปของเมตตารูปของกรุณามุทิตาอุเบขารูปขอหกันติสัจจะอะไรแล้วเราจะตีให้เป็นที่นี่ แล้วก็อาศัยตัวเนี่ยดังนั้นความเพียรกับไอ้ลูกสูบเดี๋ยมันเลยทิ้งไม่ได้เราจะเห็นคนโบราณสมัยเขาตีเหล็กไม่ใช่สมัยนี้นะสมัยนี้มันไม่ได้ต้องเลยเผานะอ่ามันรีดเอาเลยแหละสมัยก่อนต้องได้เผาเอามาเป็นเด็กก็คือไปเก็บทานตามปามา่ามาขายพวกเตาเหล็กมันนั่งสูบอยู่นั่นแหละตีวันยังค่ํำละนะเหมือนกัน เราจะมาตีจิตใจของเราที่มันเป็นไอ้ใจของปุถุชนเนี่ยมันให้ให้มันเป็นใจของพระอริยะก็คือให้จากเหล็กธรรมดาเนี่ยให้มันเป็นรูปเป็นร่างของอาวุธของเครื่องใช้ไม่สอยจิตใจของเราเมื่อก่อนเต็มไปมด้วยปูดหลงเนี่ยมันใช้สอยไม่ได้มันนำมาซึ่งความทุกข์ <c oughs> นำมาจากความทุกข์ต่างๆ เสร็จแล้วทุกชาตินี้ไม่พอก็ตายไปก็ไปทุกต่อไปเรื่อยๆมาทำชาตินี้ได้สําเร็จนะคือหมายของว่ามาตกมาแต่งใจสม่แต่งใจที่มันมีโลกปูนลงให้เป็นศีลสัมพิปัญญาขึ้นสนิมสนิมที่อวิชชาเนี่ยพราะมันถูกเผามากเข้ามากเข้ามากเข้าสนิมมันก็หายไปแล้วก็มันเพรมันเป็นรูปของมีดของอาวุธแล้วก็มันขยันรับไม่ให้มันขึ้นสนิมอีก มิมันก็จะคมตลอดนั่นหมายความว่าเราต้องฝึกสติสัมปชัญญะนี้ให้ตลอดเพื่อปัญญาจะได้แหลมคมพอปัญญาแหลมคมแล้วไอ้ความคิดโลกโกลงอะไรเข้ามาเปั๊บมันตัดปุ๊บไอ้โลกโกลุงมันมาได้นาำของอะไรไมันานาำของความคิดม่ันนาำของความคิดถ้าเราไม่คิดกับมันไอ้โลกโกลงมันมาไม่ได้ตัาหาวิชาอุปท า, านมันมาไม่ได้มันมาอาศัยตัวคิดจะเป็นทางออก เพรานะนั้พอเราจัดการกับตัวคิดตัวเดียวมันจัดการกับโลกปุ๋หลงได้หมดจัดการกับวิชาด้นหาวัานได้หมดถ้าปล่อยให้ความคิดเข้ามาตัวเดียวมันพายพวกนั้นมาหมดมันก็ง่ายขึ้นตามหลักที่หลวงพ่อเทียนท่านสรุปเอาไว้ความคิดเท่านั้นเกิดขึ้นความคิดเท่านั้นตั้งอยู่ความคิดเท่านั้นดับไปพอจัดการความคิดได้ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนี่สรุปได้สั้นๆแบบนั้นในวิธีการหลวงพ่อเทียนเราก็จึงมาใช้วิธีการแบบเนี้ สมัยก่อนกว่าครูบาอาจารย์ท่านจะได้มาพบจุดนี้ได้เนี่ยท่านบําเพ็ญสมาถะบาเพ็ญฌานบําเพ็ญสมาบัติกันหลายสิบปีบางองค์ก็มาถึงจุดนี้บางองค์ก็ไม่ถึงจุดนี้บางคนก็เป็นองค์งก็เป็นฤๅษีชีพายไปเลยไม่ยอมมาสู่จุดของอริยะบางองค์ที่มีปัญญาบารมีท่านสูงปับท่านเลี้ยวไปสู่จุดของอริยะมาดัดประตรงปลายนี่ก็ mm. มีไม่กี่รูปนะตามที่มาดูแล้วนะนอกนั้นเป็นฤๅษีไปหมด บ้านเราเมืองเรามันเต็มไปด้วยเครื่องรังของขลังตะกุดมลยันมลอะไรต่างๆก็เนื่องไปจากวิชาฤุศีทั้งนั้นนะไม่ใช่วิชาพุทธะนะเต็มไปด้วยเนี่ยทำให้คนเป็นหัวไม้เป็นนักเลงเป็นอันตรพาณเป็นมาเฟียเป็นนักปลุกคลองเผด็จการทั้งหลายพวกเราก็อยู่กันไม่ได้ใช่ไหมเพราะวิชาพระพุทธศาสนาได้ไปแปลงเวิชาฤุศีเนี่ยทําให้คนมีอวดดือ้อถือดีลบเล็วกันจนเราอยู่ไม่ได้อยู่บ้านอยู่เมืองไม่ได้ก็พุทธศาสนาเอามาถือผิดแล้วมันมีผลต่อให้เราเนี่ย ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของพวกนี้ทั้งหลายพวกที่หลายมันก็ไปเล่นพระเล่นเครื่องรังของขังมาสู้กันใช่ไหมนะเสร็จแล้วพวกมันก็ขึ้นมาครองเมืองไอ้คนไหนมีอำนาจสูงสุดมันขึ้นมาครองเมืองก็เบียดเบีย น, ยนบีทาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มองลึกๆนี่มันมันถึงกันในบดเลยสิ่งแล้วเนี่ยเอาด้วยความไม่รู้เราก็ยังทําวิชาฤุศีเหมือนเดิมมือนเดิแต่หาแล้วรู้เราได้รับความเดือดร้อนพระโยยาลุศีมานานเท่าไหร่พุทธเจ้าทำไปโดยสอบแล้วุ้มไม่ใช่ทางนี่ ไม่ใช่ทางท่านเลิกแต่เราพิสูจนเราไม่เลิกเลเล่นต่อมันก็หมดปัญญาเท่านั้นแหละปัญญาที่จะมารู้มาแยกเอากิเลสอาสาวะออกขีจากใจเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วปัญญามันกลายเป็นดิบเป็นเด็ดเราคโยมเขาก็ชอบด้วยนะพเพราะอะไรเพราะมันเห็นเป็นรูปธรรมแต่ปัญญาเอามาจากการกิเลสอาสวะออกจากใจเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็น ฉะนั้นประเทศเล็กประเทศน้อยทั้งหลายที่มันเข้าไม่ถึงปัญญาตัตวนี้เนี่ยมันก็ไปเลีนวิชาลุศีกันหมดแล้วก็เอาอํานาจของพลังจิตพลังอาวุธมาสู้กันแล้วแล้ก็ออกมาในความเดือดร้อนของอาณาประชาราชที่เราเห็นนหละดังนั้นพวกเราเป็นคนรุ่นใหม่มาอยู่ประเทศที่จเจริญแล้วอย่าเอาวิชาเหล่านี้มาใช้เอาวิชาปัญญาเนี่ยชาของผู้เจ้าเนี่ยมาใช้ พูดกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาพูดกันด้วยพรหมวิหารนะมีเมตตากรุณาต่อกันนะวิสาของพุทธเจ้าไม่ใช่อํานาจบังคับข่บมเหงเบียดปีวีทากันเหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเมืองเรา <c oughs> ช่ยยด้วยอยู่กันด้วยเหตุผลอยู่ด้วยอํานาจของเมตตากรุณาก็อยู่กันได้สบายนะตามหลักพุทธศาสนาดังนั้น ในเบื้องต้นสามวันนี้ขอให้เข้าใจว่าเรากำลังจัดการกับนิวรณ์ตะกูลต่างๆให้หมดไปจากอารมณ์ด้วยการใช้สติปัญญาส่องดูใจตลอดเวลาใช้สติสมิยะส่องดูกายตลอดเวลาสติ ส, สมิยะที่เราคอยกระตุน้นคอยกำหนดรู้เนี่ยส่องดูตั้งแต่หัวจุดเท้า ว่าร่างกายมันเจ็บตรงไหนมันป่วยตรงไหนมันไม่สบายตรงไหนก็แก้ไขไปตามอัตภาพเท่าที่พออยู่ได้ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้สบายที่สุดหรอกเพราะมันเป็นคนป่วยมันป่วยมันตั้งแต่เกิดเกิดมามันก็ร้องแล้วร้องว่ามันป่วยจนวันตายเนี่ยร่างกายเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นวิบากขันวิบากกรรมที่เราจะต้องมาเสวยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย เราก็ได้สร้างความดีมาครึ่งหนึ่งสร้างความชั่วมาครึ่งหนึ่งมันยังไม่เป็นความดีล้วนๆมันก็ต้องมาสวยทุกอย่างเนี่ยเมื่อเรามาเกิดอย่างน้อยเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีสติปัญญาพอจะรู้เรื่องนี้เราก็มาสานต่อทาให้เป็นปัญญาที่สมบูรณ์ซะไม่ต้องทำชั่วไม่ต้องทำผิดอีกต่อไปเราจะได้ไม่เกิดมาเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์อาบายทั้งหลายอะ เราได้พ้นไปจากทุกนี้นะ <c oughs> บพรุทธเจ้าบอกไม่เกิดนะดีที่สุดแล้วนะถ้าเกิดมาแล้วนี่มันไม่จบถ้าเกิดมาพบคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปุ๊บพระุทธเจ้าก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดมายุคใดสมัยใดเกิดมาในชาติใดไม่เจอคําสอนพุทธเจ้าไปเจอศาสนาอื่นยิ่งตกหนักขึ้นไปอีกนะไปสร้างภพช่างชาติสร้างบาปสร้างกรรมเราไม่รู้เราจะวนออกไปอีกกี่หมืน่นกี่แสนรอบกว่าะจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบ พ, บพุทธศา ส, สนาเนี่น่ากลัวนะ พิจนะให้ดีน่ากลัวแต่เราเราไม่รู้เรากลัวกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยวัฏทุกในวัฏสงสารมันทุกไม่จบอริยเจ้าบางท่านท่านมีอานุภาพทางปัญญาสูงสามารถระลึกชาติได้ท่านก็ไปเห็นชาติเก่าแก่ของท่านนั้นเบือ่อไม่อยากจะไปเกิดอีกแล้วนะเกิดความสลดสังเวชอย่างเราย้อนและลึกไปเดียตั้งแต่เราเกิดจาความได้สองสามขวบจนมาถึง ปัจจุบันเนี่ยลองคอยระลึกไปดูว่าเรามีความสุขที่สุดวันไหนบ้างตั้งแต่เราเกิดมาแต่พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะไปเจอตรงนั้นนะจิตมันไปเจอข้อมันเองนะหลวงพ่อเคยเป็นมาละเหมือนเราเข้าไปดูหนังบุ๊ปหลุดเข้าไปเหมือนเราไปดูในโลกของอดีตมาทั้งแต่จำความได้จนมาถึงปัจจุบันที่วันที่เรารู้นี่แหละ เราจะเห็นภาพเป็นชายมาเป็นฉากเป็นฉากอายุเท่านั้นไปทําอะไรที่นั่นทำชั่วตรงไหนทําดีตรงไห น, นบะวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเราไปพบกับใครไปทําดีกับใครทําชัว่วใครมันบันทึกไว้หมดพอมาถึงจุดนี้ว่ามาถึงรู้ญาณที่ยิงปุเพนีวาสานุสิญาณเนี่ยมันก็เห็นตลอดเลยเพราะนั้นที่พุทธเจ้าบอกว่าหมื่นชาติแสนชาติตลอดชาติอย่างยิ่งถ้าจริงๆแล้วมันอาจป่ะเดหมายถึงก่อนเกิด่ ขณะที่เราเกิดมาแล้วนึกดูให้ดีเนี่ยเราเกิดไม่รู้กี่ชาติเราครั้งหนึ่งมันเกิดชาติหนึ่ง่คิดเป็นอะไรครั้งหนึ่งก็เกิดชาติหนึ่งแล้วแต่เราจะคิดเป็นอะไรถ้าเราคิดในเรื่องนัานๆเราก็เกิดชาตินานๆหน่อยตั้งแต่เราจําความได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยจะถามว่าครั้งกี่หนมีใครจําได้ไหมตรงนี้เขาเรียกว่านับชาติไม่ทวนอนเนก อ, อนันตรชาต เป็นสังวัตกรรมวิวัตกรรมนับไม่ได้ที่เราคิดมาเนี่ยอย่าว่าแต่ก่อนที่เราจะมาเกิดไปเกิดเป็นอะไรไม่ต้องมีเอาถึงตัวขนาดนั้นแหละแค่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังนับไม่ไดว้ว่าเราไปคิดอะไรมาบ้างคิดชั่วเท่าไหร่คิดดีเท่าไหร่เราก็ยังนับไม่ได้เลยนะอย่าอย่าไปเอาว่าก่อนเกิดหลังตายมันเรื่องไกลเกินพิสูจน์นะเอากันใกล้ๆนั้นนะเพราะฉะนั้น วันนี้เป็นวันที่สให้ไปเคลียร์ไอ้อุปสรรคทางรูปนามนะอุปสรรคทางกายคืออะไรอุปสรรคทางกายคือความเจ็บความปวดความไม่สบายจัดการมันให้ได้อุปสรรคทางจิตคืออะไรความเบื่อความขี้เกียจความพี่ค้านความคิดความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความลังเลยสงสัยพวกนี้ยังเหลืออยู่ไหม สำรวจมันไปทุกเวลาเลยในใจของเรายัางเหลือพวกนี้อยู่ไหมพวกนี้มันมาในนามของอะไรมาในนามเพราะความคิดนั่นแหละเพราะนั้นระวังความคิดตัวเดียวเนี่ยนี่อนทั้งห้าก็ถูกจัดการหมดเลยไม่ต้องระวังหลายตัวลำบากระวังใจมันคิดมันเผลอคิดตอนไหนก็จัดการตอนนั้นนี่ใ น, น, น, นวิธีการของผู้เดียที่ว่ามันง่ายมันง่ายอย่างนี้ทาเรื่องมากให้เป็นเรื่องน้อย ทำเรื่องน้อยให้เป็นเรื่องจริงแง่ของสติปัฏฐานก็คือบำบัดความไม่สบายกายไม่สบายใจสองเรื่องนี้แค่นั้นอภิชาและโทมนัสแต่ไขความไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ละดล อ, ดลอดนี่เป็นตัวสติปัฏฐานสีย่อๆนะพักปฏิบัติก็ดูแลใจอย่าให้เผลอคิดพาล่างกายก็อย่าให้เผลอทุก แก้ไขบ่วงบัดมันให้สบายปลอดโปรง่งนั่งท่าไหนมันไม่สบายก็เปลี่ยนไปอยู่ท่าไหนมันไม่เสอะดวนก็ปรับไปนี่ในวงของวงรอบของสติประฐานแคบแคบแค่นี้ภาคปฏิบัติไม่มากดูแลกายไม่ให้ลําบากดูแลใจไม่ให้เผลอคิดนี่ภาคสติประธานจบแค่นี้ แต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมันก็ขึ้นภาคของสติสัมโพชฌงค์ที่จะดูแลใจล้ลนๆลนล่ะกายรู้จักวิธีแก้ละภาคสติสัมโพชฌงค์ดูแลใจล้ลนๆลนละใจมันคิดหรือไม่คิดใจมันว่างหรือไม่ว่างใจมันรู้หรือไม่รู้นะอันนี้ในในภาคต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นเราจะต้องรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติเผื่อว่า เวลาเราออกจากสนามฝึกไปแล้วเนี่ยเราไปอยู่ที่บ้านที่ทำงานเราก็จะเอาไปทำได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเลิกจากปฏิบัติไปแล้วจะเลิกไม่ใช่นะเพิ่งเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองอ เ, พเ่พอเลิกปฏิบัติไปเริ่มต้นเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ที่บ้านที่ทำงานปฏิบัติของจริงเลยทีเนี้ยแต่ว่าจำวิชาเอาไว้สั้นๆง่ายๆดูแลกายไม่ให้ลาบากดูแลใจไม่ให้เผลอคิด แต่มห้ามาให้คิดไม่ได้มันต้องคิดคิดทีใดต้องรู้ทันทุกทีคิดร้อยครั้งรู้ทันร้อยครั้งไม่ใช่ว่าคิดไปร้อยครั้งรู้ทันสามครั้งเรียบร้อยเลยมันจะกองเป็นขยะอีกเก้าสิบกว่าครั้งมันกองเป็นขยะเลยทีนี้ดับไม่ทันเพราะฉะนั้นเราดึงใจมาดู กายนะเพราะความคิดมันไม่มีตลอดเวลานะมีเป็นบางครั้งมีตลอดเวลานี่จาเป็นหลักๆไว้นะความไม่สบายกายมีตลอดเวลาเราถึงได้นั่งพลิกนั่งปิ้นนั่งเปลี่ยนไปเรื่อย <c oughs> ๆเดี๋ยวทํานูน่นทํานี่ไปเรื่อยๆเพื่อบำบัดทุกข์ทางกายเพราะบอกแล้วว่ากายมันเป็นคนป่วยเราจะต้องบําบัดเยียวยามันด้วยปัจจัยสี่ตลอดเวลาถึงเวลาพามันไปกิน ถึเวลากระพามันไปอาบไปสงถึงเวลากรพานไปหนักไปเบาถึงเวลากรพานไปกินไปอ่าพักผ่อนอายุอย่างนั้นแหละวันวั น, วนไม่มีอะไรเพื่อจะบำบัดทุกข์ด้วยปัจจัยเสียเวลามันเจ็บมันป่วยก็พาไปโรงพยาบาลพาไปาาไปินยาพาไปหาหมออ่าอยุอย่างนั้นแหละที่ถ้าหากว่าเราไม่ดูแลอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็าไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งโลกข อ, ของความคิดไม่ดูแลร่างกายละ กายนี่ก็ผลิตความทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์ใจมันก็หนีไปเรื่อยๆถามว่าหนีพ้นไหมกายนหนีใจพ้นไหมหนี้ไม่พ้นอ่ามันต้องกลับมาถ้ากลับมาก็ไม่เจอบ้านที่มันไม่น่าอยู่มันก็หนีไปอีกหนีไปเล่ย่อนรลอนแหลมไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ทั้งวันพอถึงเวลาอกลับมาใหม่กลับมาเจอร่างกายที่เต็มไปได้วยทุกขเวทนาก็มาอยากอยู่ก็หนีไปอีก อยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยสังเกตหรอกเพราะอะไรเพราะอำนาจของอวิชชาคือความลืมความหลงความเพลินเราจึงหาเรื่องอย่างอื่นมาเล่นแทนไงหาบ้านหาช่อ ง, ห า, องหาสมบัติหาลูกหาผัวหาเมียหาโทรศัพท์หารถหาอะไรแล้วมันอยู่ได้ไหมมันไปอยู่กันเหล่านั้นได้ไหมใจอะ่ะไม่ได้ในะที่สุดก็กลับมาหากายเหมือนเดิมัลยแหละบางคนโอ้โหรถในบ้านไม่รู้กี่คัน บ้านไม่รู้กี่หลังบ้านเชา่าบ้านซื้อบ้านเล่นออกไปเล่นออกไปวัตถุยิ่งเล่นยิ่งทุกข์แต่มันไม่เคยเหตุนะบางคนมีลูกมีเมียเยอะแยะไปหมดถามว่าจบไหมไม่จบสร้างปัญหาเยอะขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นี่ดูให้ดีนะโอหน่ากลัวนะแล้วก็ไปสร้างบาปสร้างกรรมกับสิ่งเหล่านี้อีกที่ต้องไปเวียนว่ายไดเกิดอีกไม่รู้กี่ภ พ, พิชาตภาคสติปัฏฐานสี่เราปฏิบัติสองภาคนะ ภาคสติปัฏฐานสีเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาปฏิบัติร่วมกันไปแล้วแต่ว่าในช่วงไหนปัญหาทางกายมีแล้วก็ทําสมถะแก้ปัญหาทางกายเป็นสมถะช่วงไหนปัญหาทางใจมีทางอารมณ์มีไปแก้ปัญหาทางใจเรียกว่าวิปัสนาทำสองอย่างเรียกว่าดูรูปดูนามดูกายดูใจใช้สมถะแก่รูปใช้วิปัสนาแก้นามเราก็ทําทั้งสมถะวิปัสนาไปในช่วงสามวันนี้นะ เป็นสติปัฏฐานสี่ในช่วงสี่วันหลังเนี่ยเราจะต้องมาทําสามพุทธชงจิตล่ะนะสามพุทธชงจิตส่วนรายละเอียดต่างๆพวกก็ค่อยว่าไปทีละวันเนาะเพราะฉะนั้นในระหว่างวันก็เพียงแต่เอาสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นพื้นฐานไว้ก่อนอย่าทิ้งตัวเนี้ยเป็นฐานนะไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านเลยนะต้องใช้มันเป็นฐานต่อไปเพื่อที่จะทําวิปัสสนาโดยตรงพอขึ้นสู่สามพุทธชงได้เป็นเรื่องของวิปัสสนาโดยตรงละ แต่สฏิปัฏฐานนี่เป็นสมถาครึ่งหนึ่งวิปัสนาครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำไปเป็นฐานเพื่อที่จะให้ปัญญามีที่ยืนเพราะปัญญาเนี่ยจะต้องไปทำเรื่องของจิตเรื่องของจิตมันเยอะนะกายเนี่ยมันเรื่องไม่เยอะหรอกจิตนี่มันมันเจ้าของบ้านบ้านนี่มันเก่าแก่ผุโซมแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านไปซื้อบ้านหลังใหม่ พออยู่บ้านหลังนั้นมันเก่าแก่ผูชมมันไม่พอใช้มันก็ขายบ้านหลังนี้ไปเอาบ้านหลังใหม่เรื่อยไปได้เจ้าของบ้าน่ะมันจะมีกี่ร้อกี่พันหลังจิตใจเราก็เหมือนกันมาอยู่กับร่างกายนี้แก่แล้วผูชมแล้วมันก็ไปหาเรื่องบ้านหลังใหม่ไปเกิดเป็นคนใหม่ต่อไปพอไปเกิดเป็นคนนี้มันเก่าแก่ผูชมแล้วไม่ได้อยู่มันก็ไปเกิดเป็นคนใหม่ต่อไปเรื่อยๆตามใดที่มันไม่หมดกิเลสมันจะเล่ร่อนเกิดอยู่อย่างเนี้ยใจของเราเนี่ย เกิดเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างเกิดเป็นยักษ์เป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นอินบ้างเป็นพรหมบ้างแล้วแต่วิบากบุญวิบากกรรมชาติไหนอันจะมาก่อนมันก็ไปเกิดเป็นนั้นนั้นมันไม่น่าเบื่อเราเพรไม่มีปัญญาปัญญามันไม่เกิดไม่เบื่อไม่เป็นจนกว่ามันจะเกิดนิพพยายนยานที่เกิดความเบื่อหน่ายโอ้กูเวลียนว่าใจเกิดมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติกูจะไปที่ไหน ถ้าไม่พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่พบกับภาษาวจพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเกิดปัญญาอันนี้ปัญญามีมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีในศาสนาอื่นบางชาติเราเผลอไปเกิดเป็นอิสลามเป็นคิดเป็นอะไรต่อไปล่ะเราก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกไปสร้างกรรมสร้างเวรต่อไปอีกแล้วเกิดเผลอไปบางชาติผัวมีชู้เมียมีชู้ฆ่ากันตายไปสร้างวิบากกรรมต่อไปอีกใช่ไหมอ่า บางชาติมันเกิดน้อยองค์น้อยใจไปแขวนคอตายประคาโทษตายสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองขนาดไหนดูมันไม่จบง่ายๆนะเพราะนั้นถ้าปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งพวกเทวดาอินพรหมเนี่ยถ้าเขาจะมาเกิดเขาปรารถนาเกิดเป็นมนุษย์นะเขาไม่ได้การป ร, ปรารถนาเป็นเทวดาหรือพรหมชั้นสูงขึ้นไปนะเพราะเขาไปเกิดเป็นอินเป็นพรหมเป็นเทวดาเขาไม่มีโอกาสมาบำเพ็ญภาวนาไม่มีโอกาสมาบำเพ็ญศีลไม่มีโอกาสมาบำเพ็ญทาน ได้บุญกุศลได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพิ่มเติมไม่ได้แต่เป็นมนุษย์เนี่ยมันมีโอกาสเพิ่มเติมได้เราเพิ่มเติมศีลได้เพิ่มเติมสมาธิได้เพิ่มเติมปัญญาได้เนี่ยโอกาสมาเป็นมนุษย์แล้วมันมีโอกาสที่จะพ้นทุกพ้นวิบากพ้นเวียนว่ายตายเกิดได้แต่เป็นเทวดาอินพรมหนึ่งมันพ้นไม่ได้เพราะไม่มีเพรมนไปสวยสุขแต่คนรวยทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นเทวดาใช่ไหมเขามาฟังธรรมบ้างไหมไม่มีนะ แล้วพูดที่เขาติดในสงบติดในความสุขเพราะพรมทั้งหลายเนี่ยติดในสมาธินี่ยเขาจะมาฟังทำอย่างเราไหมไม่เขาบอกเขาสบายแล้วเรื่องอะไรจะมานั่งฟังให้มันระดับต้นๆอย่างนี้ให้ลำบากเนี่ยไม่มีก็ไม่ใช่คนอื่นคนใครอะไรเนี่ยในมิติเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันแบ่ ง, บงกันที่ชั้นของจิตบางพวกจิตเป็นเทวดามก็ไปสวยสุขเทวดา ม, มีสองพวกพวกมิจฉาทิฏฐิ กับพวกสมาธิทีพวกเรานี้เป็นเทวดาสมาธิรู้จักมาศึกษามาบาเพ็ญต่อพวกนี้จะมีโอกาสได้พัฒนาเป็นอริยบุคคลแต่ว่าเทวดามิจฉาทิฏฐินี่ตายอีกชาติต่อไปก็เป็นตนกนรกละพวกนี้หลงหลงในสมบัติสวยในสมบัติพระสถานของตัวเองแล้วก็ใช้สมบัติพระสถานเป็นทางที่ไม่ถูกนะก็เรียกเป็นเทวดามิจฉาทิฐิ แต่พวกเราในเป็นเวลาสัมาทิฏฐิมีโอกาสใช้บุญใช้กุศลใช้ทรัพย์สมบัติเป็นในทางที่ถูกมาสแสวงหาภพชาติที่ดีกว่ามาสแสวงหาเส้นทางที่มันจะพ้นทุกข์พ้นร้อนเนี่ยได้ดีฟ่าอันนี้คือเส้นทางที่เราได้พบคําสอนของพระสมมาสัมบุทธเจ้ามันดีอย่างนี้มันประเสริฐอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้พบอันนี้เราโอกาสที่จะมานั่งบาเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่ไม่มีไม่มีโอกาสเราจะต้องทุก เวลาเราทำเราตั้งใจทำเพราะอะไรเพราะหนึ่งเวลาน้อยสองก็คือร่างกายของเราที่มันจะปดปกติเข้มแข็งให้เราทำได้ขนาดนี้ไม่รู้จะนานแค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องเจ็บเดี๋ยวก็ต้อง